ยังไมีใครอยากจะถามอะไรไนหะทุกคนคงสนใจเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติคือเอาธรรมเข้าสู่ใจเอากิเลสเอาเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่เป็นธรรมออกมาจากใจเรื่องราบรอกสารเสรินเรื่องความสุขทางตาหูจมูกนิองกาย อย่าให้มันอยู่ในใจเรากำจัดมันเอากรรมฐานเข้ามาสู่ใจพราะพร ะ, จะเจ้าทรงสอนให้เราเอากรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหลายอย่างเข้ามาสู่ใจในใจเรามีแต่กรรมฐานถ้ามีกรรมฐานเรวใจจะสงบ ใจจะมีความสุขใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เครียดถ้าไม่มีสรรมฐานแะล้วมันจะทุกข์มันจะเครียดมันจะฟุ้งซ่านทัเรื่องที่มันเอามาคิดนี่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งที่คอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เช่นลาบคือเงินทองเงินทองเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะมามันจะไปเมื่อไหร่จะหมกไม่ไหร่ก็ไม่รู้ จะให้มันขึ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันก็ลงบางทีมันก็ไม่มาจะให้มันมาอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันก็ไม่มาถ้าคิดถึงเรื่องร่าลดสารเสรื่อคิดถึงรูปเสียงกลิ่นลดแล้วก็จะปวดหัวจะเครียดจะวุ่นวายจะไม่สบายใจ แต่ถ้าอยู่กับกรรมฐานกับพุทธานุสติธรรมานุสติสามคานุสติที่ให้สวดมนต์ก็เพื่อให้เจริญพุทธานุสติธรรมานิสติสามขานุสติแต่ไม่ให้สวดแค่เช้าเย็นไละสวดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลานอน ให้มีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งอยู่กับใจอยู่เรื่อย เ, เพราะกรรมฐานเป็นเครื่องกล่อมใจเป็นเครื่องทำให้ใจเย็นใจสงบใจสบายผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจหลักนี้เราต้องเอากรรมฐานสายใจได้มีกรรมฐานกำกับใจได้มีกรรมฐานเป็นเพื่อนของใจ ได้อย่างหนึ่งใน40กรรมฐานเปลี่ยนกันได้สลับกันได้แทนกันได้เหมือนอาหารเปลี่ยนอาหารชนิดทานได้วันนี้ก๋วยเตี๋ยวเวานนี้ข้าวผัดมวันนี้พิซซ่าว่าไปตามเมนูเมนูมีอยู่40ชนิดวันนี้พุทโธเรืว่วนนี้ธัมโมเวันนี้สังโฆ วันต่อไปก็อานาปนาสติดูลมหายใจดหายใจเข้าออกวันต่อไปก็มรารนาสตินิดถึงความตายวันต่อไปจะคิดถึงอาการสานี่เป็นเมนูอาหารเลือกกินเราในใพวกนี้แล้วใจจะเย็นใจจะสบายใจจะฉลาดใจจะไม่โง่ ถ้าได้เมนูที่เป็นปัญญามันก็จะทำให้ฉลาดถ้าเป็นเมนูที่เป็นสมาธิก็สงบมีเมนูสองแบบเมนูที่ทำให้ใจสงบกับเมนูที่ทำให้ใจฉลาดถ้าพุทโธทรทโมสังโฆนก็จะทำให้ใจสงบโ ม, มนาโนสติมันก็จะทำให้ใจฉลาด มันจะได้รู้ว่าร่างกายนี้มันกำลังเดินไปสู่ความตายถ้าถ้าดูอาการสามสบสองมันก็จะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรมีแค่อาการสาสสองไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายไม่มีนายกรนายขอไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีมนุษย์ไม่มีเดราาัจฉาไม่มี อะไรต่างๆที่เราคิดว่ามีกันเป็นกันมันเป็นแค่อาการสาสิบสองแต่เราไปติดป้ายไว้ว่าเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นเศรษฐีเป็นขอทานเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นอะไร้อยแปดมันก็แค่อาการสาสิบสอง ไม่มีตัวตนอยู่ในอาการสาสสองไม่มีตํารวจอยู่ในอาการสาสบสองไม่มีหมอว่าอยู่ในอาการสาสิบสองไม่มีแม่ไม่มีลูกอยู่ในอาการสามสิบสองมีเพียงอาการสามสสองมีแต่ผลมีแต่ขนมีแต่เล็บมีแต่ฟันมีแต่หนังมีแต่เนื้อมีแต่เอมีแต่กระดูกให้ดูอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะได้ไม่หลง อันนี้มันหลงมันแทนที่จะเห็นอาการสามจิตสองมันจะไปเห็นนายกรนางขอเด็กหญิงเด็กชายเป็นมีฐานะอย่างนั้นมีตำแหน่งอย่างนี้มีเงินขนาดนั้นมีเงินขนาดนี้ มีความสามารถอย่างนั้นมีความสามารถอย่างนี้เป็นศาสตร า, าจารย์เป็นอะไรร้อยแปดพันประการที่เป็นหนึ่งนีอันั้นเป็นของปลองของจริงมองไม่เห็นของจริงก็คือแค่มีแค่ผมขนได้ไปแล้วนืน้อเองก็เดื เพ่ให้พิจารณาอาการสาสองจะได้มองเห็นความจริงจะได้เห็นว่าเวลาที่อาการสามสิบสองมันมันแตกดับไปมันไม่มีอะไรแตกดับพ่อแม่ไม่ได้แตกดับพ่อแม่นี้อยู่อยู่ขึ้นหนึ่งก้ mm. งเรดาวนี้มีสองส่วนเป็น แปดสยามแต่เห็นแปดครึ่งเดียวแปดแปลมองไม่เห็นแปดมองไม่เห็นคือเป็นเป็นกายที่ไม่ได้เป็นกายอราเดี๋ยวนู้ต้องพาไปนั่งให้นองดีกว่ น, นะจะได้เด็กชอบเล่นชอบเคลื่อนไหว เราเห็นเพียงเครื่องเดียวอีกครึ่งหนึ่งเรามองไม่เห็นเราเลยจะคิดว่าพอร่างกายตายไปก็ตายไปหมดแต่ส่วนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ไปเป็นอะไรอย่างอื่นต่อไปเล่นไป่งได้ร่างกายตัวใหม่แล้วก็ไปเล่นบทใหม่ตัวที่เล่นละครนี้ไม่ได้ตายตัวละครตายพอพระเอกนางเอกพบกันได้แต่งงานกันละครก็จบ ตัวที่เล่นเป็นพระเอกเล่นกันนางเอกก็ไปเปลี่ยนโรงไปเล่นโรงใหม่หรือพระเอกตายนางเอกตายจบคนที่เล่นตัวที่เล่นนี้ไม่ได้ตายเไปกับตัวละครร่างกายนี้เป็นตัวละครร่างกายนี้เป็นอาการ312ตัวที่มาเล่นเป็น อพระเจ้าแผ่นดินมาเล่นเป็นประธานาธิบดีมาเล่นเป็นพระพุทธเจ้ามาเล่นเป็นพระอรหันต์มาเล่นเป็นอะไรต่างๆนี่ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นใจที่ไม่ได้ตายในแบบร่างกายถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันก็จะเลิกเล่นรู้แล้วว่าเป็นงเป็นโรงละคร หลงที่ว่าเป็นของจริงก็เลยไม่เล่นละครพอละครโรงนี้จบก็จบไปไม่ไปเล่นโงละโรงใหม่พวกที่ยังหลงอยู่ก็ไปเล่นต่อพอพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปเล่นโงใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ไปเล่นบทใหม่ อาจจะไปเป็นฝรั่งก็ได้อาจจะไปเป็นมิโกก็ได้อาจจะไปเป็นแขกก็ได้แล้วแต่ร่างกายใหม่ที่ได้อาจจะไปเป็นช้างก็ได้เป็นเสือก็ได้เป็นงูก็ได้เป็นมดก็ได้เป็นมแมลงก็ได้เปอะได้ได้หลายอย่าง แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยทําให้ไปเป็นกันแต่เป็นอะไรก็เป็นชั่วคราวเป็นมดแค่เดี๋ยวตายไปก็จบเป็นเสือเป็นช้างตายไปก็จบแล้ก็ไปเปลี่ยนใหม่ไปเป็นใหม่อาจจะไปเป็นคนอาจจะไปเป็นคนรวยอาจจะไปเป็นคนจน อาจจะเป็นคนไม่รวยไม่จนก็เปลี่ยนไปตามตามเหตุตามปัจจัยคือตามบุญตามบาปตามวาสนาตามบ า, า, มบ า, า, า, มบาลานีถ้าไม่มีกรรมฐานอยู่ในใจก็จะหลงกับบทบาทเหล่านี้พอได้เป็นอะไรก็เล่นไปตามบทบาทที่เขามาให้เล่น ถ้ามีกรรมาฐานก็จะรู้ว่าเป็นเพียงบทบาทเป็นเพียงโลงละครเป็นตัวละครจะเล่นก็นได้ไม่เล่นก็นได้ไม่เล่นก็นมาเป็นคนดูคนดูไม่ต้องเล่นอะไรคนดูก็อยู่เฉยๆดูคนอื่นเ้าเล่นคนอื่นอยากจะเป็นในผลในพันก็ปล่อยเเป็นไป คนอื่นอยากจะเป็นเจ้าฟ้านางฟ้าก็ปล่อยเขาเป็นไปถ้าอยากจะเป็นอะไรใครอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปทำไปเราไม่เป็นอะไรกับเขาเราขอเป็นคนดูขอดูเฉยๆดูไงก็สัตว์แล้วว่ารู้ไปรู้ไปว่าอ่าคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนี้คนนี้ถ้าทําอย่างนี้แล้วเขาก็ได้อย่างนั้น ดูไปเราไม่ต้องไปเล่นอะไรกับท่าเราขอเป็นคนดูนั่งเฉยๆดูเฉยๆไม่ขอมีบทบาทถ้ามีกรรมฐานก็จะเข้าใจน่าจะรู้ว่าเป็นเพีล ง, งละครเป็นตัวละครเป็นเรื่องละครที่เล่นกันอยู่ทุกวันนี้ ตนที่รู้ก็ไม่เล่นเล่นให้หน่อยั่งดูดีป่ะสบายกว่ า, า, วาดูเขาเล่นกันดูเขาทำอะไรกันไปตามภาษาของเขาตามบทของเขาดัางนั้นมีละครให้ดูไม่ต้องไปเปิดทีวีดูให้หน่อยเนี่ยดูไปตงไหนก็เป็นละครนะ เห็นตัวละครเต็นไปมดเล่นกันไปตามบทตามบทเพราะยังไม่รู้ว่าเป็นละครยังคิดว่าเป็นของจริงถ้ามีกรรมฐานมันจะรู้ว่าไม่มีอะไรทุกอย่างในโลก น, นี้เป็นตัวละครเป็นบทละครเป็นองค์ประกอบของละคร เป็นเวทีละครเวทีเขาก right. ็มีป่าบางทีก็จัดเวทีเป็นป่าบางทีก็จัดเวทีเป็นบ้านเห็นไหมเขามีฉากอยู่ท้างหลังเนี่ยขาเปลี่ยนฉากสมัยเด็กๆเราชอบไปดูนิวส์มิวนี่บางทีเขาก็เปลี่ยนฉากเขาก็เปลี่ยนเขาก็เอาฉากที่อยู่ข้างหลังเปลีบางทีก็เป็นบ้านเป็นเมือง บางทีก็เป็นปา่าเป็นเขาบางทีก็เป็นได้เป็นนาเป็นหมู่บ้านเป็นฉากสถานต่างๆที่เราไปนี่ก็เป็นฉากของโรงละครบางนี้มาปา่ามาได้ฉากนี่ตรงนี้ก็ได้เป็นฉากปา่าหรือว่าไปบ้านกลับไปที่เมืองก็ได้ได้ฉากบ้านเมืองแล้วก็มีตัวละครเล่นกันไป เล่นไปตามบวทตามบาตที่ว่าเป็นจริงเป็นจังกันเวลาสุขก็สุกจริงๆริงจังจังเวลาทุกข์ก็ทุกข์จริงๆริ้องไห้กันอย่างจริงๆริงจังจไม่ต้องบูดน้ําตาเลยออกมาเองเวลาหัวเราะก็หัวเราะ ก, ก็กล้าแข็งสุดสุดเลยไม่ต้องแสดงไม่ต้องคือไม่ต้องบังคับ นัดแสดงก็ยังยต้องบังคับอยู่เล่นละครบางทีจะต้องร้องไห้พยายามบีบน้ำตาครเวลาหัวเราะต้อ บ, งบ <het> ังคับอยู่แล้วแต่ละครตัวนี้ไม่ต้องบังคับอย่เป็นจริงเป็นจังเลยเล่นอย่างเต็มบทเต็น บ, ทนบาทเอาเต็มที่เลยหลัวเราะก็หัวเราะสุดๆโอ้ดีใจดีใจสุดๆเวลาเสียใจก็เสียใจสุดๆ เวลาฆ่าตัวตายก็ฆ่าจริงๆเลยเลยฆ่าเรื่อยๆฆ่าจริงๆเวลาโกยใครเกียดใครและฆ่าใครก็ฆ่าจริงๆเวลาจะทุบจะตีใครนี่ก็ทุบกันจริงๆเตี๊กันจริงๆเวลาจะด่าใครนี่ก็ด่าจริงๆไม่ได้คิดไม่ได้รู้เลยว่าเป็นเพียงบทละครตัวละครตัวเรามันตัวละครนะ หาหาตัวดูยากหาคนดูยากคนที่ก็ดูก็มีพราอรหันกับพระพุทธเจ้าเป็นคนดูแม้แต่พระปรโสดาบันพระสกีดาคามีพระนาคามีท่านก็ยังเล่นแต่ท่านเล่นน้อยลงไปบทท่านน้อยลงไปแต่มีพระรอรหันต์พระพุทธเจ้าที่รู้ว่าออกเป็นเพียงลุงละครเป็นตัวละคร เล่นไปให้เหนื่อยทำไหมหัวเละาะแทบเป็นแทบตายเนี่ยมันก็ผ่านไปเล้าหายแทบเป็นแทบตายมันก็ผ่านไปหมดไปเหนื่อยแรงปวปากซู้อยู่เฉยๆไม่ได้แต่ที่อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันไม่มีกรรมฐานถ้ามีกรรมฐานมันจะทําให้เราอยู่เฉยๆได้ทําให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแค่าอาการสามสิบสอง มีแค่ดินน้ำลงไฟ ต, ต้นไม้ใบหญ้านี่ก็มาจากดินน้ำลงไฟร่างกายของคนก็อาการ32กเกิดแก่เจ็บตายคือกรรมฐานไม่มีอะไรที่จะน่าต่นเต้นน่าจะหลงหลข้าม้ปน่าจะยดจะึดน่าจะติดเพราะยึดไม่ได้เจ็ไม่ได้ เดี๋ยวทุกอย่างมันก็กลายเป็นดินน้ําลมไฟเลยหมดแยกกับเพลิงสื่อดินน้ํำลมไฟไปร่างกายที่อาการ32นี่เข้ามาได้เลยเนี่ยทุกที่ก็เข้ามานั่งนั่ขยับเข้ามาเข้า ม, มาเน้นมาฝึกอากรรมฐานเข้าใจถ้ามีกรรมฐานรู้ใจเฉยนั่งเฉยได้จะดูเฉยได้จะอยู่เฉยได้เนี่ย ไม่ต้องเล่นอะไรต้องทำใจให้นิ่งให้สงบมันจะได้เฉยได้แล้วก็สอนใจว่าอย่าไปเล่นไม่มีอะไรไมันเป็นเพีย ง, งละครร่างกายก็เป็นเพียงอาการส2งเกตสองดินน้าลงไปไม่มีอะไรที่จีรังถาวอที่เป็นของแท้ของจริง ทุกอย่างที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปละครก็จบบทของเราก็จบจะเป็นคนเล่นแล้วเป็นคนดูก็จบเหมือนกันแต่คนเล่นมันหน่วยกับคนดูนะคนดูสบายกว่าคนเล่นนี่มันต้องปีนป่ายกระโดดโลดโผนเสี่ยงภยัยเสียงอันตราย ต้อไปหาของหาหนู่นหาหนี่มาให้เด็ดให้หนื่อยให้ยุง่งให้ยากให้ลำบากหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดไปบางทีหามาได้ปุ๊บก็หมดไปแล้วไปเที่ยวมาปุ๊บมันก็หมดไปแล้วไปกินมาปุ๊บมันก็หมดไปแล้วแต่ก็ไม่หยุดกันเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติด ของพวกนี้นะพอมันได้ได้ทําได้ดูได้ฟังได้ลิ้มรสดมกลิ่นล้วมันติดมันจะต้องมีอยู่ไม่เรื่ยงกลายเป็นเหมือนลมหายใจไปเวลาไม่มีสิ่งเหล่า น, นี้เหมือนกับจะขาดจะขาดใจตายเี่จะทรมานใจเคยกินเคยดิ่มเคยดูเคยตงังเคยเที่ยวเคยเล่นพอวันไหนไม่ได้ กินไม่ได้ดื่มเราไปติดทุกดูสักวันหนึ่งตอนนั้น่ะไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินไ ม, ไ, ไม่ได้ดื่มไม่ได้ดูไม่ได้ฟัคการที่ติดทุกเนี่ยมันดีนะไม่ต้องทำอะไรอาหารการกินก็พร้อมบริบูรณ์มีอาหารมี ร, รอพอพอมีคอยอยางคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย ถ้าอยู่แบบคนติดคุกได้ก็สบายไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรนี่คือใจถ้าไม่ถ้ามีกรรมฐานแล้วใจจะติดคุกก็ได้อย่างสบายการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร ไม่ไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเพราะเรื่องเหมือนกับติดคุกแล้วอยู่เฉยๆเพียงแต่กินกับนอนเท่านั้นเองเลี้ยงร่างกายไปจนกว่ามันจะตายไปไม่ต้องเครียดไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่เราไปหากันเวลาหาก็เครียด เวลาได้มาก็เครียดเวลาเสียไปก็เครียดมีแต่ความเครียดพ้าเวลาหาก็อยากที่หาพ่ออยากได้ถ้าไม่หายก็เครียดพอหามาได้ก็เครียดพออยากให้อยู่ไม่อยากให้หายไปไม่อยากให้หมดไปพอหมดไปก็เครียด พอไม่มีอะไรจะให้ความสุขก็ต้องมาหาใหม่หามันมาเท่าไหร่ก็เครียดหาไม่ได้ก็เครียดหาได้ก็เครียดเสียไปก็เครียดมีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์มาหากรรมฐานดีกว่าเอากกรรมฐานมาเข้ามาเข้าในใจดีกว่า มีกรรมฐานแล้วใจจะไม่เครียดใจจะไม่อยากใจจะอยู่เฉยๆได้มีพุโทโธพุธโทโธไปทำโมไปสังโคไปอาการฐานสิบสองไปผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปไม่ใจมีกรรมฐานอยู่ในใจแล้วใจจะไม่เครียดใจจะไม่อยากใจจะสบายใจไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีล่าไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสรรเสริญไม่ต้องมีลูกเสียงกลิ่นรสเนี่ยของดีๆของวิเศษที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราแต่พวกเราก็เขียดทิ้งไปเหมือนไก่ได้ปลอยพระพุทธเจ้าให้เพชรให้ปลอยกับพวกเราไก่ไม่ชอบเพชรพลอยเพราะมันกินไม่ได้ไก่มันชอบไส้เดือนชอบหาไส้เดือนกินกัง ลวกเราก็เป็นเหมือนกัให้กรรมฐานไม่เอาชอบเอาราบรถสารเสริญชอบเอารูปเสียงกลื่นรดโหดทพะหาอยู่แต่ลาบรดสารเสริญมหอยู่แต่รูปเสียงกลื่อนใช่ไหมวันนี้หามาหรือยังเคยหากรรมฐานไมไม่เอาเลยให้กรรมฐานมาฟังเท่ไม่รู้กี่รอบกี่วันแล้ว ให้ก็มาฐานไปก็ไม่เอาไปเ <c oughs> ขี่ยทิ้งหมด <c oughs> กลับไปก็ไปเปิดทีวีดู <c oughs> เปิดเพลงฟังเปิดตู้เย็นข น, นมนมเนยกินเดแล้วก็ไปหาเพื่อนหาของเล่นของกินของดูของฟังกันไปมันชีวิตมันก็เลยเครียดอยู่กับการหาสิ่งเหล่า น, นี้ ว่ามันติดหมันติดยาเสพติดแต่ถ้าเรามีกรรมฐานอยู่ในใจแล้วมันจะเลิกมันจะไม่ติดมันจะเลิกได้มันจะไม่ต้องไปหาราบยดสรรเสริญไม่ต้องไปหาเลือกเสียงกกิบลดพผฏฐาพอยู่กับกรรมฐานนี่แสนจะสบายพุโทโธไปบ้างดูลงหายใจบ้างแล้วแต่กรณี กรรมฐานนี่มันต้องเหมาะต่อกรณีเช่นถ้าเรานั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจนี่จะเหมาะแต่ถ้าเราทํานู่นทนํานี่แล้วก็พุทโธไปก็ได้ทําโมไปก็ได้สังโคไปก็ได้หรือดูร่างกายดูว่ามันกําลังทําอะไรกายก็ได้อย่าไปคิดถึงรากยศสรรเสริญอย่าไปคิดถึงรูปเสียงเยงกี่ยรถเถรภาใหคิดอยู่กับกรรมฐานนี้ เดินจงกรม ก, ก็ดูร่างกายก็ได้ดูเท้าเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะพูดโทพุดโทไปก็ได้หรือจะดูอาการสาสบสองก็ได้ตอนต้นก็ น, นึกถึงชื่อมันก่อนหัดท่องชื่อมันได้ก่อนผม ข, ขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพั้งผืดตาก่อดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารกา่า เกี่ยนในสมองสีสัะน้ำดีน้ำใสล่น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหล่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกแล้วต่อไปก็ลองไปค้นหาภาพนึ่งมาดูผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงเมือก็เป็นยังไงเอ็นเป็นยังไงกระดูกเป็นยังไง ดูไปศึกษาไปเป็นนักศึกษาแพทย์เดินกายวิภาคอณามโทนี้จะได้รู้ว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเพียงอาการ32ตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่ที่ผมเหรอหรือรอยู่ที่ขนเวลากกนผมไปแล้วตัวเราหายไปหรือเปล่าแล้วทําไมต้องไปเสียดายผมด้วย ทำไมต้องเก็บมันไว้ด้วยเก็บกะใช้ตายกรอนันทิ้งสบายกว่าไม่ต้องมาดูแลรักษาไม่ต้องหวีไม่ต้องสระอาบน้ำก็ไม่ต้องไม่ต้องมาเช็ดผมเช็ดอะไรไม่มีผมให้เช็ดไม่มีผมให้หวีเนี่ยของต่างๆเหล่านี้ยอมันเข้ามาสู่ใจอยู่เรื่อยๆ แล้วใจจะไม่เครียดกับการหาราบยศสรรเสริญกับการหารูปเสียงกลียดลดต่างๆถ้าไม่มีกรรมฐานนี่เดี๋ยวมันไปแล้วเดี๋ยวก็คิดถึงราบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลียดลดต่างๆคิดแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้คิดถึงอะไรก็ต้องไปหาสิ่งที่คิดถึงคิดถึงราบก็ไปหาราบคิดถึงยศก็ไปหายอ คิดถึงสารเสริญก็ไปหาสารเสริญดคิดถึงรูปเสียงเกลียด ก, ก็ไปหารูปเสียงเกลียดเวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจกันเลี้ยงฉลองกันใหญ่พอเวลาเสียไปก็เสีย อ, อกเสียใจหน้าความหน้างอหน้าหมิดถ้าอยู่กรรมฐานแล้วใจจะ ไม่ยินดียินด้ายกับสิ่ ง, งต่างๆที่เป็นของปลอมทั้งนั้นเนี่ยลาบ ย, ยจศจนะเสือก็เป็นของปลอมเงินทองมันมาจากอะไรก็เป็นกระดาษนี่ให่เแบงนี้เป็นอะไรฐานจริเขาเอากระดาษมาพิมพ์แล้วเขียนเลขว่าเป็นเงินกทองแล้วก็เชื่อเขากันล้าก็มาใช้แลกกันไมเหมือนเด็กเล่นของเล่นอย่างนี้นนะนะ เอากระดาษมาให้เราก็ให้ของเธอไปขายของกันที่ร้านเอากระดาษมาให้ก็เอามากินข้าวอ่ะกินข้าวก็ดาษมาเอาก็ดาษแลกกับข้าวข้าวข้าวไปเรากระดาษมาแล้วเดี๋ยวเราเอากระดาษไปแลกใหม่ไปตลาดไปซื้อกับข้าวมามาทำกับข้าวแล้วก็มาแลกกันไปแลกกันมาหรือมันก็แลกดินน้ําลงไปแลกกระดาษแล้วก็ดินงแผ่นกระดาษมันมาจากอะไรเนี่ย เครื่องดื่มก็น้ำเอาเอาดินไปแลกกับน้ําเอากระดาษไปแลกกับน้ํำนี่ฮะมันก็แลกกันไปแลกกันมาเนี่ยดินน้ํำลมไปมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ก็แลกกันไปแลกกันมาแลกดินแลกน้ําแลกนลมแลกไฟกันไปแล้วก็เอาดินเอาน้ํามาลมมาไฟมาทําภาพต่างๆมาทําลูกหลอกต่างๆมาหลอกเรา มาทําอย่างให้เราดูก็อยากจะเป็นดูหนังกันไปดูละครกันก็ไปดูดินน้ําลงไฟไปดูอะไรตัวละครมาทํามาจากอะไรมันก็ทํามาจากดินน้ําลงไฟฉากละครมาจากไหนมันก็มาจากดินน้ําลงไฟเนั้นเนี่ยป่านี่มันก็เป็นเหมือนฉากละครเนี่ยป่าไม้ต้นไม้มันก็มาจากดินน้ําลงไฟของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นดินน้ําลงไฟนี้นเอง ไปเอาเพชรมาก็บอกว่าเป็นเพชรมันก็เป็นก้อนดินก้อนหินอยู่ดีๆนี่ถอได้ก้อนเพชรมาก้อนอย่างนี้กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาถ้าไปหลงทางในป่าแล้วไปเจอเพชร ก, ก็เจอกล้วยยจะอะไรดีน ะ, ะกล้วยเหรอตอนนี้พูดได้เดี๋ยว <c oughs> พอเจอจริงๆเจอแล้วสองอย่าง <c oughs> ให้เม็ดโตเท่ากำปั้นเนี่ยเอาเม็เพชรเม็ดโตเท่ากำปั้นกับกล้วยหวีหนึ่งยาวอะไรดีกว่าแต่ถ้าไม่มีร่างกายกล้วยก็ไม่เอาเพชรก็ไม่เอาใจถ้ามันไม่มีร่างกายแล้วมันไม่รู้จะเอาเอะไรไปทําอะไรใจต้องการกรรมฐานเพชรแท้ของใจคือกรรมฐานรู้ไหมคือฟุตโทคืออาการสามสิบสอง เนโมระนุสตินี่แหละคือเพทยของใจถ้าได้เพทยของใจแล้วใจจะมีความสุขมากพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาสร้างกรรมฐานกันเอากรรมฐานกันอย่าไปเอาราบเพืสรรเสรินอย่าไปเอารูปเสียงกยลิก่นรสปวดทวพาเพราะมันจะทำให้เราเครียด ก, กันจะทำให้เราทุกข์กันไม่ได้ทำให้เราสุขหรอก สุดเหลือเดีย ว, ยวแล้วก็มาเครียดกับมันมาทุกข์กับมันได้เะไราแล้วต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาถ้าไม่มีก็ไม่มีทุกข์ได้ของก็ต้องทุกข์กับของเดี๋ยวเกิดเมื่อหายไปก็ทุกข์แล้วเผลอไปวางไว้ที่ไหนใครหยิบไปก่อนนี้พอ มาเจอปั๊บในี่อใจวุ่นเนิ่ยเดิมกระเป๋าไว้ที่ไหนเดิมกระเป๋าไว้ในห้องนะพอกลับไปทีเอกกระเป๋าหายเลยนะทุกข์หรือไม่ทุกข์ของในกระเป๋าก็ต้องไปทำใหม่หมดบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิตบัตรอะไรต่างๆหายไปทีเหนื่อยเนี่ยกว่าจะได้มาใหม่ ทำมอยู่แบบไม่มีไม่ได้เลย mm hmm. เวลาเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาไม่มีบัตรเครดิตมาไม่มีใบขับขี่มาไม่มีอะไรติดตัวมา เ, mm hmm. เวลาไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไป mm hmm. เอาอะไรไปไม่ได้ mm hmm. หน้าที่ของเรามาที่นี่มาเพื่อมาเอากรรมาฐานไป น, นานจะมีกรรมฐานให้พวกเราไปชักทีนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคำสอนรรมไม่มีพระอริยสงสารเราจะไม่มีกรรมฐานเลยเพราะไม่มีใครเห็นคุณค่าของกรรมฐานเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอริยสงสารเพราท่านเห็นคุณค่าท่านได้รับประโยชน์จากกรรมฐานทำให้ใจของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ความใจของท่านมีแต่ทางสุดตลอดเวลาท่านถึงเอากำรรมะฐานมาให้กับพวกเรากำรรมฐานสี่สิบอย่างเม น, นูอาหารใน้พวกเราเลือกกินเราไม่ต้องกินทั้งสี่สิบอย่างเลือกอาหารที่เราชอบเอาพุทโธก็ได้รมโมก็ได้สังโฆก็ได้เอาอานาปันสติก็ได้ อาวมระนุตสติก็ได้อาวสุภาษะก็ได้สุภาษะก็มีสิทธิ์ดูคนตายสิทธิ์แบบตายใหม่ตายเก่าตายจนกระทั่งแห้งกรอบเหลือแต่กระดูก น, นี่เป็นกรรมฐานเป็นเพชรของใจดูแลจะทำให้ใจสง บ, บใจเย็นใจสบาย ใจจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายไปกับร่างกายจะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายจะไม่หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจใจเป็นตัวรู้ตัวคิดได้ร่างกายมาเป็นคนนับใช้แต่ก็ไปหลงคิดว่าตอนนี้เป็นคนนับใช้แล้วก็ไปวุ่นกับมันไปทุกข์กับมัน แต่ต้องสอนให้ดูคนรับใช้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นเราตรงไหนมันเป็นตัวคิดมันเป็นตัวรู้เหรอผมมันรู้หรือเปล่ามันคิดหรือเปล่าหนังเนื้อแอนตานุกมันคิดได้หรือเปล่ามันรู้หรือเปล่าเวลาตัดผมผมมันร้องไห้หรือเปล่าผมมันเดือดร้อนหรือเปล่ามันมีเดือดร้อนไอตัวที่เดือดร้อนไม่ใช่ผมเท่าไหรไปเดือดร้อนทําไม เดี๋ยวนอนพอรักพอหวงมันพอมันเป็นที่พึ่งพอไม่มีผมแล้วมันเหมือนกับไม่มีที่พึ่งไม่กล้าออกไปนอกบ้านไม่มีสัก์ไม่มีสีนะพอไม่มีผมเนี่ยเหมือนกับคนไม่มีสัก์ไม่มีสีไม่มีผมก็ต้องไปยืมผมกับคนอื่นม า, มาใส่ ยึดติดกับผมเป็นสารณ ะ, ะเป็นตัวเป็นตนเลยตัวตนเราอยู่ที่ผมจะละนี่คือกรรมฐานให้เรามาหัดดึงกรรมฐานเข้ามาสู่ใจกันวิธีจะดึงก็ให้นึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงมันเรื่อยๆอย่าให้มันไปนึกถึงขนมนมเนอยอย่าไปนึกถึงอ รูปเสียงเกลิ่นรสอย่าไปนึกถึงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปนึกถึงฐานะต่างนะๆยศถาบรรดาศักดิ์อย่าไปนึกถึงคําสรรเสริญเยินยอยอกย่องเกียรติบาตรเกียรติคุณอะไรต่างๆมันไม่มีประโยชน์กับใจเราเหรอกมันมีจะทําให้เราหลงและจะทาให้เราทุกข์เวลาได้มาก็ดีใจ แต่ไม่ดูว่าสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปถ้ารู้แต่ต้นก็ไม่เอาดีกว่าถ้าใครก็ให้ของเรามาแล้วบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคืนนะจะเอาไมไม่เอาดีกว่าหลอกนี่มาฝากมาฝากหลอกไว้เฉยๆมาหลอกฝากไว้เฉยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไปนะอย่าเอาเงิดีกว่า ของทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวแลวมันไม่มีสาระคุณค่าอะไรมันเป็นดินน้ำลมไฟของทุกอย่างใน่อกนี้ทามาจากดินน้ำลมไฟมันไมมีประโยชน์อะไรของที่เป็นประโยชน์กับใจนี่คือกรรมฐานจำไว้นะกรรมฐานมีกรรมฐานอยู่ในใจแล้วใจจะสงบพอสงบแล้วใจจะมีความสุข นี่แหละมันจึงมีค่าเพราะมันทําให้ใจเราสงบแต่ของต่างๆในโลกนี้ราบยศสรรเสริญลูกเสเกียงเกล็ดลอดนี่มันไม่ทําให้ใจเราสงบมันทําให้ใจเราฟุง้งทําให้ใจเราเครียดทำให้ใจเรากรังวลกระวายกระสับกระส่ายวิตกกังวลเราวิตกกังวลกับอะไรก็วิตกกังวลกับภาพสีนี่แหละ ว, วิตกกังวลกับคนนั่นคนนี้ ก็เป็นธาตุสีมิต ก, กัวงวลกับอาการ32กับผมขนเน็้อันหนังเนื้อเย็นกันกถ้าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เป็นดิมน้ำลงไฟเป็นธาตุสีมิต ก, กับกระดาษมิต ก, กับตัวเลขสมัยนี้มองมองมองเห็นตัวเงินั้มมีแต่ตัวเลขใช่ไหมไปเช็คดูในบัญชีอ๋อมีเลขแค่นี้มีเลข0 0 แล้วก็เอาเลขนี้มาแรกข้าวของเงินทองอยากจะได้รถก็เ อ, เอาเอาตัวเลขนี้ไปแรกแล้วรถจะมีประโยชน์อะไรมันก็พาเราไปนู่นมานี่พาเราไปเสี่ยงตายกันเดี๋ยวดีไม่ดีก็ทิกงความตายกันอีกมันไม่มีอะไรเป็นประโยชน์อ แ, แต่ความหลงมันทำให้ไป ไปมีความสุขกับมันสุขเดียวเดียวสุขแบบดีใจเวลาได้อะไรมาก็ดีอกดีใจแล้ทีนี้ได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมัน้ต้องมาดูแลรักษามาวิตกกังวลและเวลามันหายไปหมดไปก็เสียอกเสียใจเพราะเราไม่มีกรรมฐาน ใจเราไม่อยู่กับกรรมฐานใจเราไปอยู่กับลาบยศสรรเสริญอยู่กับข้าวของเงินทองอยู่กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับสถานที่นั้นสถานที่นี้มันก็เลยทำให้เรากิ้งไปเหมือนลูกกิ้งฟองกิ้งไปกิ้งมาเหมือนลูกฟุตบอลที่เขาเตะไปเตะมาคนยี่สิบคนมาวิ่ง แย่งแตะลูกฟุตบอลลูกเดียวเนี่ยแล้วคนเป็นล้านก็นั่งดูกันสนุกสนานเครียดกันไปกับไอ้ลูกฟุตบอลลูกนั้นพอมันเข้าไปตะข่ายเลยก็โหเฮก็ะจายเหมือนกับได้ลูกได้อะไรมาได้สมบัติได้เข้าของเงินทองมานี่แหละคือความหลงของของใจของใจที่ไม่มี ไม่มีกรรมฐานมันก็เลยต้องหาความสุขจากของบ้าๆบอๆอย่างนี้ของไรสาระอย่างนี้ไม่เตะ บ, บอลก็ตีตีลูกตีกอล์ฟไม่ตีลูกกอล์ฟ ต, ตีเทนนิสเหมือนก็เหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาแล้วก็ได้คะแนนก็เฮกันไปเฮกันมาหาความสุขจากไอ้ของเหล่านี้ ความสุขปลอมความสุขแตะเดียวกระดาลพอกลับมาบ้านอยู่คนเดียวก็เหงาอีกแล้วต้องหาอะไรดูหาอะไรฟังนะแกล้เหงาไปเรื่อยเพราะไม่มีกรรมฐานอยู่ในใจถ้ามีกรรมฐานอยู่ในใจนะมันจะไม่เหงามันจะไม่หิวมันจะไม่อยากมันจะสงบมันจะสบายมันจะนิ่งมันจะมีความสุขมีพุโทโธคําเดียวเท่านั้นหละ แสนจะสบายถ้ามีพุโทโธอย่างเดียวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนั่งหลับตาห้านาทีสิบนาทีก็ตกหลุมตกบ่อแล้วอีนี้ก็เจอสวรรค์เจ อ, อเจอสวรรค์เนเจอความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรจิตสงบนาบเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นได้ไปนิทานทั้งเป็น อ น, นิพพานชั่วขาว่าวความสงบนี้ก็เป็นเหมือนนิพพานชั่วข่าวแต่พอออกจากความสงบมาก็ถ้าไม่ระวังก็เดี๋ยวก็ไปหานรกมาใส่ใจไปคิดถึงลาบลึกฉลเสริญไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวความร้อนก็เกิดขึ้นมาในใจความรุ่มร้อนใจความวุ่นวายใจก็ตามมา โดยพิจีแก้ความวุ่นวายใจก็ต้องไปหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากได้มาพอเจอความวุ่นวายใจตรงนี้กันนี้มันไปไปตรงนู้นไปสูงการค้าไปลงหนังไปร้านอาหารไปทําอะไรเพื่อให้ลืมถึงเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจกันแต่ทํายังไงเดี๋ยวกลับมาก็เจอมันอยู่ดี วิธีที่อย่าหาหนีความวุ่นวายใจต่างๆต้องหนีเข้าข้างในต้องใช้พุโทโธดึงเข้าไปพุโทโธก็ได้อาการสามสิบสองก็ได้สวดมนต์ก็ได้มีวิธีเยอะแยะกรรมฐานสี่สิบเนี่ยเลือกเอาอันไหนที่เป็นปุบายที่จะดึงใจของเราให้เข้าข้างในให้ใจเราสงบให้ใจเราเนื่งได้เนี่ยใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ใช้มันเถอดมัน มันเป็นประโยชน์มันมีคุณมาหาศาลมันมีคุณยิ่งกว่าเงินกองเท่าภูเขาเงินกองเท่าภูเขาก็ทาให้ใจสงบไม่ได้นอกจากทาให้ไม่สงบแล้วยังทาให้เครียดทำให้ทุกข์ทำให้วุ่นวายายขึ้นมาทางเงินทางวิเศษพระพุทธเจ้าไม่สลละราชาสมบัติหรอกใช่ไหมพระพุทธเจ้าสลละราชาสมบัติมาหา ความสงบเป็นที่พึ่งแทนเหมือนเปลี่ยนภรรยาภรรยาเก่าไม่ให้ความสุขก็เลยไปหาภรรยาใหม่เงินทองไม่ให้ความสุขก็เลยไปหาความสงบภรรยาคนใหม่นี้เป็นภรรยาที่ให้ความสงบให้ความสุขแก่ใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราคือกรรมฐาน ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้จักกรรมฐานเราก็จะหาแต่ลาบยศฉลเสริญหาแต่รูปเสียงเกล็ดแล้วเราก็จะทุกข์แบบที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ทุกข์ไปสลับกับสุขสุขไปทุกข์มาสลับกันไปสลับกันมาจนวันตายตายแล้วก็กลับมามาเกิดใหม่มาหาความสุขความทุกข์กันใหม่ ทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดน้ำตาที่หลั่งแต่แต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าสะสมมาไว้รวมกันนี่ท่านบอกว่ามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียก็บดีว่าต้องล้องต้องต้องมาเกิดมาตายมาร้องไห้กันกี่ภพกี่ชาติกันถึงจะได้น้ําตาเมื่อกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือภพชาติของพวกเราเพราะเราไม่มีกรรมฐานกัน ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้รับกรรมฐานไปแล้วพอเรากรรมฐานไปใช้กับใจเราเข้าไปในใจเราใจเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจของพุทธเจา้าใจของพระอรหันต์นี่สองสองพันห้ า, า, หาร้อยกว่าปีแล้วไม่มีหยุดน้ำตาแม้แต่หยดเดียวมีแต่รอยยิ้มอยู่ตลอดเวละสุขเนาะสุขเนาะตลอดเวลาไม่มีคาบ่นว่าทุกข์เลย ถ้าพวกเราพยายามนิดหน่อยไม่กี่วันบางทีเจ็ดวันก็ได้นะพุทธเจ้าบอกขยันเอากรรมฐานก็ไปนในใจเจ็ดวันไม่ทำอะไรทำแต่กรรมฐานอย่างเดียวทำมันอย่างเดียวพุทโธมันอย่างเดียวเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ไปนม่พลานนะไม่เอากันชอบเยียนว่หยตายเกิดกันชอบแก่แก่เจ็บตายได้ ชอบทุกข์กันชอบวุ่นวายกันชอบเครียดกันชอบวิตกกังวลกันชอบหวาดกลัวกันอั น, นี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องอตัดสินใจว่าเราจะเอาอย่างไงดีเราจะเอาแบบเดิมจะอยู่กับแฟนเก่าหรือเราจะไปเปลี่ยนแฟนเอาแฟนใหม่ แฟนเก่าเขาให้ความสุขกับเราไม่ให้ความทุกข์กับเราแฟนใหม่นี้เขามีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์แฟนเก่าก็อารมณ์ดีก็ดีไปอารมณ์ไม่ดีก็ซวยไปแต่แฟนใหม่นี้ไม่มีไม่มีเปลี่ยนแปลงดีตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดนะขอให้พิจารณาเอาละกันเพราะว่า ไม่มีใครที่จะมาะพิจารณาให้เราได้ไม่มีใครจะตัดสินใจให้กับเราได้ไม่มีใครเดินทางนี้ให้กับเราได้เราเป็นคนที่จะต้องเลือกเอาจะเอาอันไหนดีจะเอากรรมฐานดีหรือจะเอาราบยกสรรเสริญสุดดีถ้าเอากรรมฐานก็จะได้วิมุตติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ได้ปามามสุขขังได้นิบานังบามามสุขขังได้ความสุขจากพระนิพพานถ้าเอาลาบยุติธรรมรเสรสุขก็จะได้การเวียนว่ายตายเกิดได้การเกิดแก่เจ็บตายได้ความทุกข์เวลาที่เกิดจากการพัดผ้าจากกาันก็ขอให้เอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติกันก็จะนิโมทนาให้พร ยะถาวะริวาหาปุราตาวิปุเรติสาคขังเอวเมววิตุท e ินัเตตานังอุปกาปฏิอิที่ต um ังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสมิจตุสัพเทปุเรหตุสังกะปาจันโทกนาหะโสยะถามณิโชติ ภระโสุยถ า, าสัพพิติโยวิวัจฉัตตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตาวายสุขีทีคาววิโกภวะอภิวาธนศีริสานิจจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวัฏาติอายุวันุสุขาง พาลสาสฝากเพื่อนค่ะคไม่เคยม า, าเขาจากกรุงเทพนะค่ ะ, ะแล้วก็เริ่มเริ่มถัดปฏิบัติภ า, าวนานนเรื่องเวลาภาวนาคืออะไรคือเอากรรมฐ า, านเนี่ยเข้าใจตอนนี้กรรมฐ า, านมันอยู่ข้นนางนอกเอาเข้าไปให้มันอยู่ในใจ เวามีกรรมฐานอยู่ในใจแล้วใจจะเย็นใจจะสงบใจจะสบายอันนี้ใจเรามีแต่ราบยศ ส, สรเสแสรอยู่ในใจคิดอยู่กับเรื่องราบยศสารเสแสร์คิดอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเดู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์ของพวกนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดดับเกิดดับถ้าเรากรรมฐานเข้าไปในใจแล้วมันจะเย็นจะสบายมัมีความสุขมันจะหยุด มันหยินท้าลาบยศสรรเสริญที่ให้ภาวนาก็เพื่อให้มีนี่ยมีอะไรคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงเกี่รโน้นต่างๆต้องพยายามทําบ่อยๆทํามากๆก็ต้องทําตลอดเวลาเพราะใจมันคิดถึงลาบยศสรรเสริญตลอดเวลา เอายาพิษมาใส่ใจเราตลอดเวลาโดยที่เราคิดว่าเป็นขนมนจริงเอาเข้ามาแล้วทําให้ใจเราวุ่นใจเรา เ, าเครียดทุกครั้งที่เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราเครียดไหทุกข์ไหอย่าไปคิดถึงมันมันก็ไม่ทุกข์เอาพุโทโธมาคิดแทนหรืออาการสามสิบสองมาคิดแทนก็ได้หัดท่องชื่อการสามสิบสองไปเลยผมขนและฟันเนี่ยมันมีอยู่กับตัวเราอยู่กับมันมาตลอดเวลา อย่าไม่รู้จักว่ามันมีอะไรบ้างในตัวในร่างกายเราตั้งแต่เกิดมาเรารู้ไหมอาการทาที่สองเรามีอะไรบ้างอนะนะเราไปอ่านดูไปท่องดูมันมีอะไรคอยดึงใจไว้ไม่ให้มันไปคิดถึงราบยกสรรเสริญไม่ให้มันไปคิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ แครั้งแรกมันจะรู้สึกฝืนฝืนมากอ่ามันก็คอยคิดแต่ลาบย้อสารเสรียงเพราะมันมาคิดถึงสิ่งที่เราไม่เคยคิดมันก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกับเราเคยใช้มือขวาแล้วต้องมาใช้มือซ้ายนี่มันฝืนนะถ้าเราถนัดขวาเราเกิดมือขวาเราขาดไปแขนขาดไปะทำไมแล้วเราขาดใช้แขนซ้ายมือซ้ายมันต้นก็รู้สึกยอยากเพราะมไม่เคยใช้มัน แต่ถ้าใช้ไปต่อไปมันก็เหมือนกับมือขวาทำไมคนถนดัดมือซ้ายเขาเขาใช้มือซ้ายได้แต่เขากลับใช้มือขวาไม่ได้เพราะเขาไม่เคยใช้มือขวาเขาใช้เขียนหนังสือเขียนแบบมือขวาเราให้เขียนมือซ้ายดูเขียนได้เขียนไม่ได้เพราะไม่เคยหัดเขียนตอนเริ่มต้นหัดเขียนก็ไม่ก็เขียนไม่ได้ทั้งสังเลยใช่ ตอนต้นเราก็หัดเขียนมือขวาพอเขียนไปเขียนไปมันก็มันก็ถนัดขึ้นไปตอนนี้เราถนัดคิดแต่ราบยุสำรเสริญคิดแต่คนนั้นคนนี้หนึ่งนั่นหนึ่งนี้นอนเลยไม่ถนัดที่จะคิดพุทโธพุทโธคิดถึงอาการความคิดสองคิดถึงดินน้ำลมไฟคิดถึงเกิดแก่เกิดตายไม่คิดมันไม่ชอบคิดเรื่องราวเหล่านี้เอามาให้มันคิดสิสอนมันให้มันคิดบังคับมันให้มันคิด แล้วต่อไปมันก็จะคิดได้แล้วต่อไปมันจะสบาย <c oughs> คิดถึงพอเรื่องราวมันพอมันไปคิดถึงเรื่องวุ่นวายก็เอามาคิดถึงอาการสามสองคิดถึงพุโทโธพุโทโธไปมันก็เย็นสงบมันจะเร็วเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายกัเพราะอาการสามสิบสองพุทโธพวกนี้มันไม่มีอารมณ์มันไม่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆเหมือนกับคิดถึงลาบยศสนเสิญคิดถึ ง, งลูกเสียงกิ่นลบ พยายามทำให้มากๆทํทำน้อยแล้วอยากได้มากมีปัญหาอยู่ใช่ไหม <c oughs> ทำนิดเดียวอยากจะได้นิพพานนะ <c oughs> ภูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติต้องสี่ห้าสิบปีกว่าจะได้นิพพาน <c oughs> เรานั่งสมาธิได้ยี่สิบนาทีก็อยากจะได้นิพพานนะ ต้องดูตามความเป็นจริงถ้ายังไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังทําน้อยอยู่ทําต่อไปทําให้มากขึ้นทําให้บ่อยขึ้นทําให้ถี่ขึ้นมันอยู่ที่เหตุอยู่ที่การกระทำของเราเท่านั้นผลมันจะเกิดไม่เกิดมันไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้มันเกิดจากการกระทําของเราเกิดจากการดึงดึงกรรมฐานเข้าสู่ใจของเราท่านนี้น ถ้าเราดึงพุโทโธเข้าได้มากผลก็จะมากดึงอาการสามสิบสองดึงมรณานุสติเข้ามาในใจดึงอาสุพะเข้ามาในใจได้ผลมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นไปมันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่แค่ตรงนี้ใจเราตอนนี้มันไม่มีธรรมมันมีแต่กิเลสมีแต่โลกโกรธหนงมีแต่โลกมีแต่ลาบโลกฉันลเสริญโลกกระทำแปด ไม่มีกรรมฐ า, านต้องดึงกรรมฐ า, านเข้ามาเวลาหิวอยากกินอาหารเนี่ยอยากจะอยากจะทําให้มันอิ่ ม, มโดยที่ไม่ต้องกินนึกถึงอาหารที่ออกจากทวารหนักหนึ่งอย่อยาไปนึกถึงอาหารที่มันอยู่ในจานมองอาหารที่อยู่เนี่ยที่ออกมาจากทวารหนักต่อไปมันจะไม่อยากกินมันอิ่มเลย เราก็นึกทุกครั้งที่นึกถึงอาหารก็นึกถึงตอนที่มันออกมาจากทวารหนักแล้วมันอยากจะกินกินไม่ลงนะกินไม่ลงก็แสดงว่าอิ่มนะแต่ถ้านึกถึงอาหารอยู่ในจาน ก, กินไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเดี๋ยวถอนนึกถึงมันก็อยากจะกินขึ้นใหน่หิวขึ้นใหม่เนี่ยของวิเศษเนี่ยอาหารเลยปฏิกรรษสัญญาอันนี้ก็เป็นกรรมฐานนั่นเองวิธีแก้ความหิว วิธีลดน้ำหนักเพ <Okay. S 1> วกพีนน่มีน้ำหนักเกินเนี่ยให้ใช้อาหา ร, รเลยปฏิบู ล, ลสัญญาถ้าเราเปิดร้านซิสต์เดือนเราจะถ่ายรูปอาหารที่ออกมาจากถาวหนักชนิดต่างๆปะไว้าตามผาผนั ง, ง <laughs> ให้พวกพี่หิวหิวมานั่งดูอาหารต่างๆให้มันแพ่งดูไปสักพัก เ, เดี๋ยวมันหายหิวใช่ไหม เราไปดูอาหารที่มันอยู่ในจานเยมันก็หิวเลยอย่างร้านขายอาหาร่ก็เคยเอาอาหารที่ออกจากทวารหักมาโฆษณาขายเลยจริงๆถ้ามันได้ถึงถึงอาหารเก่าได้เนี่ยบ่อยๆเข้ามันจะเอื่อมมันจะกินไม่ลงมันจะไม่อยากกินอาหาร นึกถึงตอนที่มันาเจียนออกมาก็ได้ตอนที่เคี้ยวอยู่ในปากแล้วคายออกมาก็ได้อย่าไปนถึงตอนนี้มันอยู่ในจานอยู่ในร้านแล้วเวลาหิวเนี่ยมันจะหายหิวเลยเวลาอดอยากขาดแคลนมันจะไม่ทรมาถ้าเรามีอาหารเลยปริภูลัสสัญญามันจะหิวเพียงครึ่งเดียวหิวที่ร่างกาย แต่ใจมันจะไม่หิวใจมันจะอิ่มใจมันจะกินไม่ลงมันจะไม่อยากกินแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลนดูพระพุทธเจ้าสิอดต้องสี่สิบเก้าวันใช่ไห ม, มใครายอดอหารอย่างพระพุทธเจ้าได้นะสี่สิบเก้าวันถ้ามีอาหารเลยปฏิคูแล้วสัญญาทุกครั้งอยากจะกินอาหารก็คิดถึงไม่เ อ, เอ่ อาหารเลยปฏิกูลละสัญญาดูความเป็นปฏิกูลของอาหารตอนที่มันเคี้ยวอยู่ในปากตอนที่มันผสมกับน้ำลายตอนที่มันเข้าไปในท้องหรือตอนที่มันถ่ายออกมามันเป็นอาหารนั้นมันเป็นอะไรกินเข้าไปแล้วก็ออกมาท่านถึงไม่หิวท่านถึงอดได้ทั้งสี่สิบเก้าวันใจอิ่มยาไม่หิว เพรนเวลาเราตกทุกข์ได้ยากปวดท่าอดอาหารเอก็ให้นึกถึงในอาหารที่อยู่ในความปฏิกูลอาหารอาหารตอนที่มันเป็นปฏิกูลไปแล้วมันจะไม่อยากอาหารมันี้มันจะอดอยู่แบบอดอยากาขากแคนได้ในคนที่อยากจะดลดน้ําหนักลดความอ้วนให้นึกถึง ทุกครั้งอยากกินอาหารกันนึกถึงอาหารที่เป็นปฏิกรูนแล้วมันจะกินไม่ลงมันจะไม่อยากกินวันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่ย t ท b e สูงสุดเจ็ดสิบสองคนค่ะตอนนี้เหลือห้าสิบเจ็ดค่ะทาง a ฟ e b o o กสูงสุดสามร้อยสสิบห้าค่ะตอนนี้เหลือสองร้อยแปดสิบสองค่ะมีคำถามไหมไมี <laughs> เยอะอาว่ามาเลย คำถามจาก YouTube l ล v e นะคะจากคุณทิติชัยคนที่บริจาคเงินให้วัดให้สถานศึกษาแล้วเอาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีบางทีได้คืนเต็มจำนวนบางทีได้คืนสองเท่าอยากทราบว่าบาปไหมครับไม่บาปแล้วก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำบุญคนอื่นทำบุญแทนเราเพราะเราไม่ได้เสียเงินเลยการทำบุญนี้ก็เพื่อให้เราสละให้เราปล่อยวาง ไม่ให้ยึดติดกับของที่เรามีอยู่เพราะการยึดติดมันจะทำให้เราทุกจะทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราไม่ยึดไม่ติดได้เราจะไม่ทุกข์เราต้องสบายใจคาถามจากทางอินบ็อซ์นะคะจากคุณ น, ทนาทาัทิศนั ท, ร, ทริตาแผ่เนตตาหรืออุทิศบุญต่างกันอย่างไรคะ เออมตตากับบุญมันคนละอย่กันบุญก็คือบุญที่เราได้จากตามที่เรามาทำบุญกันเช่นเราถวายสังฆทานถวายเงินทองให้กับวัดนี้เราได้บุญบุญคืออะไรความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการได้เสียสละทรัพย์ของเราไปเราสามารถแบ่งความอิ่มใจสุขใจนี้ให้แก่ผู้ที่ร่งรับไปได้ส่วนหนึ่ง ไม่ได้ให้ทั้งหมดแบ่งได้พอให้เขามีความสุขบ้างมีความสบายใจบ้างมีความอิ่มใจบ้างพวกที่เขาไม่มีบุญติดตัวไปเขาก็จะหิวเขาจะหิวบุญก็เลยต้องมารอรับส่วนบุญของเราอันนี้เรียกว่าอุทิศบุญการที่จะอุทิศบุญนี้เราต้องทำบุญถึงจะมีบุญไปอุทิศให้กับเขา แต่ความเมตตานี้เราไม่ต้องทำบุญความเมตตาก็คือความคิดที่ดีต่อผู้อื่นความปรารถนาดีที่เราเรียกว่าไมตรีจิตไมตรีจิตนี้แปลว่าความเมตตาคือเรามองคนอื่นเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนมิตรเป็นคนที่เราอยากจะให้ความสุขกับเขาเวลาเราแผ่เมตตาตเราก็ ผีมาหลอกนะ <ś of S 2> <c oughs> ชอบโดนผีหลอกนะเมตตาก็คือคิดดีต่อผู้อื่นคิดดีพูดดีทำดีมันต้องมีคนรับเวลาแผ่เมตตานี้ต้องมีคนรับไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็แผ่ไปครอบจักรวาลอันนั้นยังไม่มีคนรับและไม่มีอะไรให้เขาต้องมีของในเขาด้วย จ่าญาติโยมมานี่อาตมาให้หนังสือธรรมะไปเนี่ยก็เป็นการแผ่เมตตาอย่างนให้ธรรมะให้หนังสือเวลาโยมมีเงินโยมอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเจอใครก็เ อ, เอาเอาเงินแจกเขาอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาให้ความสุขแก่ผู้อื่นหรือไม่เอาโทษผู้อื่นก็เป็นการแผ่เมตตา ไม่ถือโทษกดเครื่องไม่จองเวรจองกรรมเขาขับรถมาชนท้ายเราเขบอกว่าไม่เป็นไรไปเถอะเรามีประกันไม่ต้องเสียเวลามาถกมาเถียงกัน อ, อันนี้นก็เรียกว่าแผ่เมตตาไม่เอาเรื่องเอาราวเขามาเอาแผงไปเราเอาไม่เป็นไรเอาไปเดี๋ยวหาใหม่ไนดะ้ไม่ได้มีคนเดียวคนที่มีมเมตต า, ข า, าเขาจะคิดอย่างนี้ เราจะไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่จองเวรจองกรรมใคร้าเป็นการให้ความสุขกับเขาก็เราก็ยินดีคนที่มีความเมตตาคือคนที่อยากจะให้คนอื่นมีความสุขจากการกระทําของเขาเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรามันถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาเทนตอนนี้เรากำลังโกรธใครอยู่ล้วแผ่ให้เขาตามนี้ไดนะ้เขาไม่ต้องรับก็ได้ แต่นเขาเอาเงินเราไปแล้วไม่ยอมใช้เรายกไปเลยต่อไปนี้ไม่ทวงแล้วไม่หวังอะไรจากเขาแล้วไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปทำบุญกันไปเขาจะรู้ไม่รู้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เองก็เรียกว่าได้แผ่แล้วเพราะเขาจะได้ไม่ต้องมาเวลาเจอเราเขาจะได้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปทวงเงินเขาไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปด่าเขาไปว่าเขาเี่ยเพราะเราจะไม่เอาเรื่องราวราวของเขา ยกเงินก้อนนี้ให้เขาไปแล้วคือถ้าเจอเขาก็บอกเขาเลยเออสบายใจนะไม่เอาแล้วยกให้คุณไปอย่างนี้ก็เรียกแผ่เมตตาไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วก็สวดสัพเพสัตตาอันนี้เป็นการสวดไม่ได้แผ่แผ่คำสวดแต่ไม่ได้แผ่อะไรใครๆก็แผ่ได้คาสวดใช่ไหมแต่เงินแผ่ไม่ออก <c oughs> <c oughs> เงินทองแผ่ไม่ออก แต่คำสวดได้อันนี้ไม่เรียกว่าเมตตามันมีสองแบบเมตตาแบบเป็นคำสวดกับเมตตาแบบเป็นของจริงของใช้ได้ของกรินได้ของที่ทําให้คนรับมีความสุขได้ถ้าจะแผ่ต้องแผ่ให้ให้คนที่เขารับมีความสุขได้จากการแผ่ของเราถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตา้าใจระหว่า ง, งอุทิศบุญกับแผ่เมตตาเอ คำถามจากทางอินบ็นะคะจากคุณอนุสรนผมผมผมฝึกสมาธิมาสองปีกว่าสงบดีแต่เวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วไปทํางานทําการทางโลกรู้สึกว่ามาหลงหลงลืมลืมความคิดอ่านไม่ค่อยคล่องตัวความรู้สึกมันอึมครึมไม่ปลอดโปร่งทั้งทางที่ใจในขณะนั่งสมาธิก็สงบดีแทบจะทุกครั้งยังหาทางแก้ไม่ได้ครับก็ไม่ทาต่อไง เวลาไปทา ง, งานก็ต้องพุโทโธต่อใจต้องมีอะไรคอยควบคุมมันถึงจะสงบมันถึงจะมีความสุขทา ง, งานไปเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุทธโธไปเวลาทา ง, งานที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทธโธพุทธโธไปถ้าเราไปคิดเรื่องงานมันก็ทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาไม่มีความสุขคำถามจากคุณ น, นันทนา บาปและบุญจะอยู่กับเราตลอดใบไหมถ้าตายไปแล้วเกิดใหม่การเกิดการเกิดใหม่บาปและบุญจะมีผลอีกไหมคะมันก็มีจนกว่ามันจะมันจะแสดงผลของมันแล้วมันก็หมดใช่ไหมเราไปติดคุกติดตารางเราทำผิดกฎหมายศาลเขาตัดสินให้อยู่จำคุกห้าปีพอเราไปติดคุกห้าปีออกจากคุกโทษนั้นก็หมดไป เราทำบาปเราไปเกิดเป็นเดลชาเพอเราตายจากเดรลชานบาปนั้นก็หมดไปคำถามจากคุณเพิ่มพงผมภาวนาพุทโธพุทโธแล้วความรู้สึกมักไปที่ลมหายใจพอลองตามลมไปปรากฏว่ามีภาพในใจต่างๆปรากฏขึ้นผมจะกลับมาบริกรรมพุทโธ ร, รัวๆแบบเป็นชุดผมทำถูกไหมครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันแล้วเวลามีอะไร ก็อย่าไปสนใจอย่าตามมันไปถ้าเราพุทโธก็พุทโธไปลมจะโผล่มาภาพจะโผล่มาก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวถ้าอยู่กับลมก็ลมไปอย่างเดียวเวลาทำต้องเอาอย่างเดียวถ้าเอาไปหลายอย่างมันก็วิ่งวนไปเหมือนตะคุกเงาไปเรื่อยๆมันก็จะไม่นิ่งจะไม่สงบเราต้องการหยุดการตะคุกเงาให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธไป ถ้าอยู่กับลมก็ลมไปเวลามีอะไรอย่างเงินโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปตามมันอยา่าไปสนใจคําถามจากคุณปนานรัตข้อที่หนึ่งนะคะรูปปฏิบัติตามแบบที่จิตทาไปคือยามนอนกําหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธจนหลับไปตื่นขึ้นมารู้ตัวว่าตื่นและยังไม่ลืมตาก็นึกถึงหายใจเข้าออกพุทโธ พอจับสติได้ว่าไหนเข้าไหนออกก็ลืมตาจะรึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนทำภารกิจตอนเช้าก่อนทำงานและบางครั้งและบางวันตื่นอัตโนมัติตีสี่ก็ลุก ข, ขึ้นนั่งภาวนาอยู่บนที่นอนก่อนออกจากบ้านสวดม น, มนต์ไหว้พระแผ่เมตตาจนออกจากบ้านการกระทาของลูกเช่นนี้ทุกวันทุกวันเรียกว่าปฏิบัติธรรมใหม่เจ้าคะยังไม่ปฏิบัติเต็มที่ยังไม่เข้าล็อก การจะเข้าล็อต้องให้มันใจอยู่กับเรื่องเดียวถ้าพุทตื่นขึ้นมาก็พุโทโธอย่างเดียวไปไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นข้อที่สองความที่เวลามีน้อยกับการปฏิบัติแบบเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็เคยคิดว่าถ้าจะอาราธนาสิงห์แปดหลังชำระร่างกายมาภาวนาตอนหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนการปฏิบัติเช่นนี้ผิดไหมคะ ไม่รู้จะต้องอลาธนาไปหาอะไรเราก็รู้เราศีลแปดนี่อะไรจะรักษาก็รักษาไปเลยไม่ตก็มายุ่งยากมาลาธนามาพุทธทางสวัณนากระฉามนี่ทำบางสวัณนกระฉามนี่มันเสียเวลาเลยเหมือนมวยขึ้นเวทีแล้วมันต้องมาไหว้ครูกันอีกต่อยกันไปเลยศีลนี่ก็เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ต่อสู้กีฬาถ้าอันนี้จะรักษาศีลแปก็กําหนดขึ้นไปเลยว่านี้รักษาศีลแปดนะแค่นี้ก็จบแล้ว นึออกมาเสียเวลามาม า, าราธนาราธนาอะไรมันเหนื่อยยากขอเปล่าคำถามทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณมาลิข้อที่หนึ่งค่ะคนที่นั่งสมาธิแล้วได้นิมิตแสดงว่าสมาธิดีถูกต้องไหมคะดีแต่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประโยชน์นิมิตนี้เป็นโทษเป็นเป็นตัวที่จะถ่วงการเจริญของการปฏิบัติทางวิปัสสนาและจะไม่ได้ทำให้ใจมีความสุข มีความสงบดังนั้นคนที่ได้นิมิตนี้ต้องอย่าไปสนใจนีไม่ต้องภาวนาต่อให้จิตมันรวมเข้าสู่ความสงบให้มันว่างให้มันสับแต่ว่ารู้ให้มันเป็นอุเบกขาให้มันมีความสุขคําถามข้อที่สองค่ะหนูจะรู้สึกไม่ดีกับญาติซึ่งประหยัดมากจนเป็นคนไม่มีน้ําใจทั้งๆที่หนูก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากเขา กราบขอคะแนะนำว่าหนูควรทำใจอย่างไรจึงจะไม่รู้สึกไม่ดีไปตำหนิเขาค่ะแผ่เมตตาให้เขาเ่ยถึงเวลาแผนแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าอยากจะแผ่ก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาให้อภัยเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเป็นความสุขของเขาก็ปล่อยก็ทำไปคำถามจากคุณกิติยาค่ะ จำเป็นต้องกรวดน้ําทุกครั้งไหมเวลาที่เราทําบุญจักบาตเราตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาตอนเราถวายไปจะถึงคนที่เราให้เหมือนกันใช่ไหมคะน้องใช้น้ำก็จะอุทิศบุญไม่ใช่แผ่เมตตานี่ก็ชอบใช้กันสับไปสับมาอย่างเงี้ยไอท้ทีอุทิศบุญก็ไปแผ่เมตตาไอท้ทีแผ่เมตตาก็ไปอุทิศบุญมันก็เลยเนี่ยพวกเราชาวาพุทธเนี่ย ม, มันพุดตาบอดกันตาบอดหูหนวกกัน ขนาดเลย่งง่ายๆสองอย่างนี้มันก็ยังสับสนกันอยู่นั่นนะเวลาทำบุญก็อุทิศบุญไม่ใช่ไปแผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตาก็ไม่ก็จะไปอุทิศบุญเี่ยมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีคำถามจากคุณชิลาลด์ค่ะเคยได้ยินมาว่าการที่เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้ที่เป็นเปรตถึงจะได้รับผู้ที่ขึ้นสวรรค์จะไม่ได้รับผลบุญที่เราทำส่งไปให้ ในหลวงอาชการที่9ทำบุญใหญ่หลวงมากคงต้องขึ้นสวรรค์แน่นอนแล้วที่พวกเราทำบุญถวายท่านกันทั้งประเทศท่านจะได้รับไหมครับอ๋อแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันต้องถามท่านดูเลยคำถามจากคุณชวลิตค่ะการฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านรวมทั้งการตระเวนไปปฏิบัติธรรมจากหลายๆสํานัก จะทำให้เกิดผลดีผลเสียหรือเนิ่นช้าไปหรือไม่ครับก็อย <'t> ู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการสินค้าชนิดหนึ่งเรายังไม่ได้สินค้าที่เราต้องการเราก็ต้องไปหาไปเรื่อยๆไปร้านนี้มีไหมสินค้าชนิดนี้ไม่มีก็ต้องไปอีกร้านหนึงร้านนี้ยังไม่มีก็ต้องไปอีกร้านหนึ่งก็ไปจนกว่าจะได้สินค้าที่เราต้องการพอเราได้สินค้าที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่ต้องไป การไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปหาไปหาเทนเนอร์หาเทนเนอร์ที่เหมาะกับเราที่ถูกใจเราที่เข้าใจเราที่เราได้รับประโยชน์เราก็ถ้าไปแล้วเจอเจอเทนเนอร์คนนี้ไม่ไม่ถูกใจไม่เท่าลอกกันก็เปลี่ยนก็ไปหาอีกเทนเนอร์หนึ่งเพราะแต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็มีอุบายวิธีมีเจร็ตนิสยัยมีวิธีการสั่งสอนที่ไม่เหมือนกัน เนั้นบางบางทีมันถูกกับเราบางทีไม่ถูกกับเราเราก็ต้องไปเรื่อยๆอย่ต่เราโชคดีพอเริ่มไปหาอาจารย์องแรกก็เจอถูกใจกันเลยก็ไม่ต้องไปไหนเลยพอบวชเสร็จก็ไปอยู่กับหลวงตาก็ไม่ไปไหนเลยตอนต้นก็คิดว่าจะไปเรื่อยๆเหมือนกันที่ว่าถ้าหลวงตาไม่ไม่ถูกกันหรือว่าท่านไม่ให้อยู่ก็ต้องไป <c oughs> กระไรก็โชคดีท่านก็ไม่ไม่ได้ไล่ท่านก็ให้อยู่แล้วเราก็พอใจกับวิธีการสาั่งการสอนของท่านเราก็เลยไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์หลายองค์หลายรูปนี่แล้วแต่ละคนไงอันนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ที่รู้ในใจของตนเองรู้เองว่าอครูบาอาจารย์รูปนี้แบบนี้สไตล์นี้ถูกกับเราหรือเปล่า ได้เราได้รับประโยชน์จากการสั่งการสอนของท่านหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูตรง ด, ดูตรงนี้ดูว่าเราสามารถเอาประโยชน์จากท่านได้ไหมแล้วเราพอใจหรือไม่มีความสุขไหมแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกับการไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปเดินอยู่หลายร้านเหมือนกันนี้เสื้อผ้ามันก็เสื้อเหมืนอนกันแต่แตบบ่ร้านนี้สีสวยแต่ ทรงไม่ดีลานี้ทรงดีสีไม่ถูกใจเอมันก็ต้องย้ายคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของที่เราถูกใจอันนี้ก็เหมือนกันการที่ไปแสวงหาครูบาอาจารย์ต่างๆก็อาจจะเป็นเพราะเรายังไม่ได้องค์ใดองค์หนึ่งที่ถูกใจเราเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆคําถามจากคุณสิงดีๆค่ะเมื่อเราฟังพระอาจารย์ให้พร แล้วน้อมบุญนี้ให้กับตัวเองและพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาจะได้รับตามที่เราน้อมให้หรือเปล่าคะพรานนี้ไม่ได้เป็นบุญนะพรานนี้เป็นธรรมะเป็นคำสอนอย่างเราฟังทมอย่างนี้ย ใ, ใครฟังก็ได้ถ้าเราทานี้ไปให้ญาติพี่น้องถ้าเขาเข้าใจเขาก็ได้วันนี้สอนเรื่องเมตตาไปบอกเขาว่าถ้าอยากจะแายเมตตาก็เอาเองินมาแจากกันนะถ้าเขาฟังแล้วเขา เชื่อก็เอาเงินไปแจกเขาก็จะได้เขาก็จะได้บุญจากการแผ่เมตตาของเขาแต่การให้พรของพระนี่ไม่ไม่มีพรไม่มีบุญนะมันเป็นคำสอนเป็นคำอนุโมทนาคือเป็นคาให้กาลังใจว่าการทำบุญนี่ดีนะทำบุญแล้วจะทำให้เราเจริญด้วยอายุวันนะัสุขะพละมีแค่นั้น งั้นเวลาทำบุญแล้วพระจะให้พรไม่ให้พรบุญก็ไดาเท่าเดิมไม่มากกว่าไม่ลดน้อยถอยลงไปบางคนที่ว่าเวลาทำบุญแล้วพระไม่ให้พรแล้วไม่ได้บุญเนี่ยก็เข้าใจผิดนะบุญเกิดจากการเสียสละข้าวของเงินทองของเราเวลาเราให้แล้วเราสบายใจไหมนันแหละคือบุญแล้ยพระจะอนุโมทนาแม่อนุโมทนาให้พรมันก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้ว คามจริงไม่ต้องอนุโมทนาให้พรหรอกที้มันทํากันมาจนเป็นธรรมเนียมเป็นเป็นนิ ส, สัยเป็นเป็นความเชื่อไปแล้วว่าถ้าทําบุญแล้วพระไม่อนุโมทนาให้พรก็ยังไม่ได้บุญต้องรอให้พระอนุโมทนาก่อนถึงจะกลับบ้านได้คำถามจากคุณอันดามันค่ะทําอย่างไรครับชาติหน้าเราถึงจะได้เกิดในพระพุทธศาสนาอีก เขาไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะมีเมื่อไหร่งั้นอย่าไปคิดถึงชาติหน้าเลยชาตินี้เจอศาสนาแล้วทำไมไม่เอาประโยชน์บ้าหรือเปล่าของมีอยู่แล้วก็ไม่เอาจะไปวังของที่ไม่มีรีบรีบตักตวงผลประโยชน์ซะรีบไปบวชซะรีบเอากรรมฐานเข้ามาสู่ใจซะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ได้แล้ะไปรอชาติหน้ามันเสียเวลาทําไม คำถามจากคุณนันทชนค่ะการแผ่เมตตากับผู้อื่นเราต้องบอกกับเขาตรงๆไหมคะบอกได้ก็ดีบากเธอน่ารักนะั่นเองเธอสวยนะนี่ก็แผ่เมตตา แ, แต่ต้องเป็นความจริงใช่ไหมจริงไม่จริงเหมือนจำใครเลยขอให้เขามีความสุขก็ใช้ได้เจอผู้หญิงเก้าสิบบอกสวยเขายังยิ้มเลยใช่ไามแผ่เมตตาก็ให้เขามีความสุขเอง แตอย่าไปพูดโกโหกอ่ะเดียไม่ควรจะโกโหกเดี๋ยวเขาจะหาว่า เ, เขาดนะ้องเขาคำถามจากคุณกุ๊กไก่ค่ะนั่งสมาธิเกิดอาการขาชาเหมือนขาหลุดออกจากตัวแต่ก็ไม่ได้สนใจกำหนดจิตที่พุดโทตลอดแต่ที่ตกใจจนจิตหลุดคือตอนที่นั่งหลับตารู้สึกว่ามืดแต่อยู่ดีๆก็มีแสงสว่างไปหมด ถ้ามีอาการแบบนี้ควรทำอย่างไรดีคะไม่ต้องสนใจใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องก็ให้ภาวนาต่อไปคำถามจาก u t u b e live จากคุณพัรทํำบุญที่วัดแล้วรู้สึกสบายใจที่ได้สลัดซั์ถึงไม่มากแต่ก็ยินดีทำแบาบงแต่บางครั้งพระทางวัดจะเอาวัตถุมงคลต่างๆให้แต่ไม่อยากรับได้ไหมคะคืออยากไม่อยากถ้าเขาให้มาก็รับไว้โดยมารยาท เหมือนกับพระเขาก็รับเงินทองที่เราถวายจะมากจะน้อยท่านก็รับของเราไปเมื่อท่านให้เราเรากลับมาถ้าเราไม่มีความอยากจะได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปอยากได้นะไม่ควรเพราะเราทําบุญนี้เพื่อไม่ต้องการได้สิ่งตอบแทนเราต้องการเสียสละต้องการความสุขความสบายใจที่เกิดจากการที่เราได้เสียสละแต่ถ้าทางวัดหรือผู้รับเขามีจิตเมตตาอยากจะตอบแทนบุญคุณตอบแทนน้ําใจ เขาให้เราเรามาเราก็รับไปส่วนเราจะไปใช้ทําอะไรต่อมันก็เรื่องของเราถ้าเราไม่เชื่อเราก็เอาไปวางไว้ที่ไหนนึกไปให้ใครที่เขาเชื่อเขาชอบก็ให้เขาไปก็ได้คําถามจากคุณต้องค่ะถ้าเราฆ่าสัตว์มานานแล้วแต่เวลาโยมทําบุญยมจะภาวนาให้เขามารับส่วนบุญเราควรเอ่ยถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือเอ่ยถึงสัตว์ที่เราได้ฆ่าคะเพื่อการขอโหสิกรรม ถ้าใครเขาค่าเราแล้ว เ, เราอยากจะไปรับบุญจากคนที่ก็าข่าเราหรือเปล่าใช่ไหม<ำ>มันมันเป็นไปไม่ได้หรอใช่ไม้มถ้าใครฆ่าเราแล้วเรายังอยากจะไปรับบุญจากเขาเลยวะคาถามจากคุณพีโกนค่ะแนวทางที่จะบอกว่าทําอย่างนี้เป็นบุญทําอย่างนี้เป็นบาปดูจากอะไรบ้างคะดูจากผลที่เกิดจากการกระทาของเรา ถ้าทําแล้วทําให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับผู้อื่นก็ดีกับเราก็ดีเรือเกิดทั้งผู้อื่นและเราก็ดีโดยที่ไม่มีโทษเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญหรือทําความดีในทางตรงกันข้ามการกระทําอะไรที่เป็นโทษไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับตนก็ดีกับผู้อื่นก็ดีก็ถือว่าเป็นบาปไม่ควรทําดูที่โทษหรือ ด, ดูที่คุณจากการกระทําของเรา คำถามจากคุณสุวรรณนาค่ะเมื่อนั่งสมาธิตกหลุมตกบ่อแล้วอยู่ในขั้นไหนคะจะไปรู้ทำไมค อ, อยมันตกเถิดเวลากินข้าวอิ่มก็ต้องถามเสมออิ่มขั้นไหนอิ่มขัน้น <c oughs> สองชามหรืออิ่มขั้นสามชามคอยมันอิ่มก็แล้วกันนะอย่าไปสนใจมันขั้นไหนอิ่มก็ต้องถามเสมออิ่มขั้นไหนชอบมาเลยข้อสองนะคะ ทำไมอยู่ในขั้นที่หลังจากตกหลุมแล้วพยายามอยู่ในโตรู้ได้ไม่นานสมาธิถอนออกมาเองเท่าสติยังมีกําลังน้อยกิเลสมีกําลังมากกว่ากิเลสมันก็เลยดันให้ออกมากิเลสมันชอบดึงดันให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นเราเราต้องใช้พุทโธดันให้มันกลับเข้าไปในหลุมในบอ่อแต่ถ้าสติเรามีกําลังไม่มากก็เข้าไปได้ปั๊บเดียวแล้วก็ถูกมันดันออกมาใหม่ แถ้าเราฝึกสติบ่อยๆนั่งบ่อยๆเข้าต่อไปสติเราจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันเข้าไปแล้วมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็เหมือนพ่วกรือสีชีพายเขอยู่ทีเจ็ดวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้เข้าฌานทีสิบห้าวันแสดงว่าสติเขามีกำลังมากคำถามจากคุณต้องค่ะการขอโหสิกรรมจากพ่อแม่ ถ้าท่านให้อภัยเราแล้วเรายังจะเป็นบาปอีกไหมคะเพ อ, อบาป ท, ที่ทำไว้มันต้องบาปอยู่แล้วอาการโหสิของผู้ที่เขาของคู่กรณีนี้ไม่ได้ไปล้างบาเปเพียงแต่ว่าทําให้เขาไม่มาจองเวรเราไม่มีเรื่องกับเราแต่บาปเช่นไปขโมยเงินพ่อเงินแม่นี่มันยังมีอยู่มันล้างไม่ได้นอกจากเอาเงินที่ไปขโมยนี้ไปคืนเขาอาจจะล้างได้คําถามจากคุณสิ่งดีๆค่ะ มีเพื่อนชวนทำบุญแต่ในระหว่างนั้นเราไม่มีเงินแต่เรารวบอนุโมธนาบุญด้วยใจที่ดีถือว่าได้บุญไหมคะได้บุญคนละอย่างไม่ได้บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองแต่ได้เงินจากการที่เราเห็นคนอึ่งเขาเสียสละแล้วเราก็ชื่นชมยินดีกับการเสียสละของเขาเป็นบุญคนละอย่างกันคาถามจากเปิดชื่อญี่ปุ่นนะคะค่ะไม่ต้องพูดก็ได้ ถ้ามีคนพูดถึงเรื่องอดีตว่านายก่อ่านายขอเพราะเอาเปรียบกันเราเกิดอารมณ์ว่าสมควรแล้วคิดในใจอันนี้ผิดถึงขั้นประราชิมไหมคะถ้าเป็นพระ อ, อ๋อไม่หรอกต้องต้องมีการกระทําเพียงแต่คิดนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นการกระทําผิดแต่เป็นอกุศลเป็นความคิดที่ไม่ดีที่ควรจะหยุดเพราะถ้าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวอาจจะนาไปสู่การกระทาต่อไปได้ คำถามจากคุณจรค่ะถ้าคนที่เขาทำให้มารดาเราเสียชีวิตแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาทำทางกฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้แต่ชาวบ้านญาติพี่น้องเราทราบกันทุกคนแล้วถ้าเราไม่ผูกพยาบาทกับเขาอยากให้เรื่องนี้จบเราจะแผ่เมตตาด้วยการอโหสิกรรมให้เขาแต่เขาไม่ได้มารับรู้อย่างนี้แล้วถือว่าการแผ่เมตตาสำเร็จไหมครับ สำเร็จถ้าเราไม่ไปจองเวรจองกรรมเข้าไปโกรธไปเกลียดเขาก็เราก็ได้ผลแล้วผลมันอยู่ที่การอยู่ผู้ที่ให้ความเมตตาเนี่ยผู้ที่เขารับเมตตาที่เขาจะรู้ไม่รู้เขาก็ปลอดภัยแล้วเขาไม่มีปัญหาเขาไม่ต้องมีโทษมีอะไรจากเราแล้วคําถามจากคุณต้องค่ะโยมคิดว่านารกหรือสวรรค์มีอยู่ทุกวินาทีคืออยู่ในใจเราใช่ไหมคะ คือเวลาทําบุญรู้สึกว่ามีความสุขแต่เวลาทําบาปไม่ว่ากายวาจาใจทำให้ทุกข์นี่คือนรกอันนี้คือตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะโยมสังเกตดูจิตใจตัวเองจะเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะใช่ทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปแล้วพอเวลาตายไปแล้วบุญกับบาปมันยังอยู่ในใจมันก็ยังแสดงผลต่อไปคาถามจากคุณป้อมค่ะ กาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการสนใจฟังทรรมรักษาศีลโดยมาเรื่องตอนอายุห้าสิบกว่าแล้วถือว่าช้าไปไหมคะอ๋อไม่ช้าหรอกคำถามจากคุณณพลค่ะเคยได้ยินมาว่าคนปฏิบัติการปฏิบัติที่ได้รับมีอยู่4ี่แบบคือหนึ่งปฏิบัติง่ายสำเร็จง่ายสองปฏิบัติยากสำเร็จง่ายสามปฏิบัติยากสาเร็จง่าย และสี่ปฏิบัติยากสําเร็จยากกาบเรียนพระอาจารย์เมตตาขยายความด้วยครับที่ปฏิบัติยากง่ายนี่มันอยู่ที่กิเลสมากหรือน้อยกิเลสหนาะหรือบางถ้ากิเลสหนาะมันก็ปฏิบัติยากเพราะมันจ ะ, ม, นจะมันจะต่อต้านถ้ามีความโลภความโกรธความหลงความอยากมากมันก็ยากที่จะเละิที่จะหยุดมันแล้วการที่จะทําให้มันสําเร็จง่ายหรือยากก็อยู่ที่ปัญญา ถ้าฉลาดก็จะสามารถเอาธรรมะนี่มากำจัดกิเลสได้ดังนั้นยากง่ายการปฏิบัติยากง่ายอยู่ที่กิเลสหนาหรือบางคนที่กิเลสบางนี่ก็จะปฏิบัติง่ายกว่านั่งสมาธิก็ง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่มีกิเลสมาคอยยั่วยวนกวนใจชวนให้ไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดื่มนั่งสมาธิมันก็สงบง่าย ส่วนคนจะสําเร็จนี้ไม่สําเร็จต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญามองเห็นอริยสัจ ส, สี่เข้าใจหลัข ก, นนกของไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาเข้าใจหลักอริยสัจ ส, สี่ก็จะสําเร็จได้ได้ง่ายถ้าคนไม่เข้าใจก็สําเร็จได้ยากอย่างตอนที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้กับพระปัญจวัคคีนี้พระปัญจวัคคีก็เป็นผู้ที่ อ, อยู่ขั้น ขั้นปัญญาแนละ้วคือขั้นสมาธิท่านได้กันทุกคนแนละ้วเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบนี้ท่านได้ชานกันทุกคนแนละ้วแตท่านไม่มีปัญญาที่จะทําให้สหําเร็จนพอพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจสี่แสดงตายนักมีเพียงพระอัญญาณโกนทยะรูปเดียวที่เข้าใจก่อนแสดงว่าท่านฉลาดกว่าท่านคิดได้ไวกว่าท่านเห็นนัตเห็นตายลัก ท่านเห็นความสัมพันธ์ของอริยสัจสี่การทํางานของอริยสัจสี่ท่านก็นเลยบรรลุคนเดียวก่อนสําเร็จคนเดียวก่อนอีกสี่คนนี้ต้องรอไปนั่งคิดตึกตองอยู่สักพักหนึ่งก่อนแล้วถึงจะเข้าใจถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนเนี้นักเรียนบางคนเวลาฟังอาจารย์พวกเข้าใจนะบางคนนี้ต้องกลับไปถามเพื่อนกันว่าเอ้ยท่านหมายถึงว่าอย่างไรเอ ใจคิดไม่ทันคิดตามไม่ทันก็ต้องมาให้เพื่อนมาช่วยติวให้ทีถึงจะเข้าใจอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถที่จะรับความรู้จากผู้อื่นมาใส่ใจของตัวเองได้อย่างง่ายหรือได้ยากคนที่ฉลาดก็จะรับเข้ามาได้อย่างง่ายได้ฟังปุ๊บก็เข้าใจคนที่ไม่ค่อยฉลาดฟังแล้วก็งงให้หมายความว่าอย่างไง เรามานั่งคิดอยู่สักค่ำหนึ่งถึงนี้เข้าใจอันนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกว่าปัญญาคือความสามารถที่จะจ ะ, จะคิดไปในทางปัญญาของแต่ละคนนี่มีไม่เท่ากันสรุปโพมีคนช่วยสรุปโพมาให้ค่ะว่ามาจากประเทศอะไรกันบ้างผู้ช ม, ม า, า, าก็มีหนึ่งอิตาลีสองอังกฤษ 3, สามสหรัฐสี่ญี่ปุ่นห้าเยอรมัน ออสเตรเลียเจ็ดเม็กซเลเซียแปดนิวซีแลนด์เก้าสวีเดนสิบฝรั่งเศสสิบเอ็ดรัสเซียสิบสองสิงคโปร์สิบสามกรนแลนด์สิี่เกาหลีค่ะตอนนี้ 15. สิบห้าสีลังกาใช่สีา ล, าลังลืมเลยสิบห้าแล้วเนี่ยนะสีลังกาตอ <c oughs> นนี้พยายามจะจดสถิติของผู้ที่ติดตามผ่านทางถ่ายทอดสดว่ามาจากกี่ประเทศกัน <c oughs> คำถามจากคุณชิ ต, ตวันค่ะมีห้องพระจำเป็นต้องถวายน้ำและดอกไม้ทุกองไหมคะไม่ต้องหล้พระนี้ท่านไม่ดื่มน้ำอยู่แล้วคำถามจากคุณปรีดิเวทค่ะพระอาจารย์ครับตอนผมบวชพอสึกผมเอาเงินที่ได้จากการบวชให้แม่ไม่รู้ว่าเป็นนี่สงบทไหมครับมีทางใช้คืนไหมครับ แล้วแต่ว่าเงินที่เราได้มานี่ได้มาได้มาแบบไหนถ้าเขาให้กับเราใช้ตามอธัธยาศายนี่ก็ยังก็ถือว่าเป็นของเราอยู่หรืออาจจะถือเป็นของเราเฉพาะตามที่เป็นพระก็ได้ถ้าคิดว่าเป็นของเราตามที่เป็นพระเวลาที่เราไม่เป็นพระเราก็อาจจะต้องมอบให้กับทางวัดไปแต่บางคนบางคนก็คิดว่าเป็นของเขาเขาก็เอาไปก็ไม่มีใครห้ามอะไรไม่มีกฎหมายห้ามไม่มี กดอะไรห้ามอยู่ที่จิตสํำนึกว่าเงินที่ได้มานี้เป็นของใครคําถามสุดท้ายนะคะจากคุณพึงแต่รู้ลมพอคะ่ะเมื่อมีความทุกข์มากจะภาวนายอย่างไงถึงจะไม่ทุกข์ครับเพื่อพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธหรือกรรมฐานอันใดอันหนึ่งให้มีอยู่ในใจเพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์แล้ว พอเราไม่คิดแล้วความทุกมันก็จะหายไปมันแล้วนะมีเพิ่มนอเวออีกประเทศนึ้งนอเวอะเป็น16อะ16อะนะหล่ <c oughs> นใหญ่ก็เป็นคนไทยนะั่นแหละคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศกันจะมีคนฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งที่ส่ง ส่งภาษาฝรั yeah. Yeah. Mm ่งเศสมาอาจารย์มาค่ะเมื diabetes, right. mm ่อวานที่หนูอ่านนะคะจริงๆเขาเขียนฝรั่งเศสมาแล้วหนูหาก o เกิลเอามาแปลว่าอะไรอาจารย์คะที่เยอรมนเยอรมาที่พูดถึงเรื่องบุญกับบาปนะคะคือการการกระทําใช่ไหมคะทีนี้ทำแล้วไม่ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษกับใครอ่ะแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดสองอย่างเช่นมุลลาอาบน้ําสุนัขใช่ไหมคะมันมีเห็บหมักหนัก คือสุนัขเนี่ยอาจจะปลอดภัยจากเห็บหมัดแต่เห็บหมัดที่เราทําก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปเนีได้อก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปไหมแล้วทีนี้เราเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมเราก็ต้องอาบต้องทําำก็ได้ทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยเรามีวิธีวิธีสมมุติปัญญานี้เราคนจะแก้งก็เอาเห็บออกไปก่อนก่อนที่จะอาบมันจะเผาสอกไฟแล้วก็ไปปล่อยในป่าในที่ไหนถ้าถ้าถ้า เพราถ้ า, ies, ถาเรามอ Finanz, างในแงี่ว่า أو, จริงๆแล้วเนี่ยเห็ดหมักก็เหมือนพญาต์ที่เราต้องเราไม่มองไม่ได้หรอกเราต้องดูความจริงว่ามันเป็นสิ่งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณถ้ามันมีวิญญาณก็ถือว่าบาปถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่บาปต้นไม้นี่ไม่บาปฟันต้นไม้ตัดต้นไม้นี่มันไม่มีวิญญาณมันไม่บาปถ้าพญาต์มันไม่มีวิญญาณก็ไม่บาปเชื้อโลกไม่มีวิญญาณก็ไม่บาป แต่เห็นนี่มันมีอืนอยาวนับาปแล้วมันมีความหนักเบาไหมคะถ้าสิ่งที่ที่เราฆ่ามันไม่มีคุณมากมันก็โทษโทษก็ไม่มากถ้ามีคุณมากโทษก็มากเช่นคนเนี่ยฆ่าคนที่เราไม่รู้จักมันไม่หนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นคุณเป็นคนเหมือนกันแต่มีมีคุณไม่เท่ากันฆ่าพ้าละหันก็บาปเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ ค่าวัวค่าควายนี่มันไม่นักเท่ากับค่ามนุษย์ค่าเป็นค่ากายก็ไม่นักเท่ากับค่าวัวค่าควายเพ้าวัวควายมันก็ยังมีประโยชน์ทำประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้ชาวนาชาวไร่นั้นอยู่ที่คุณของของสิ่งที่เราค่าว่ามีคุณน้อยคุณมากถ้ามีคุณมากก็มีบาทมากมีโทษมาก ว่ายังไงเพิ่งมาเลยจะจบแล้วเนี่ยจะปิดร้านเนี่ย <c oughs> มีทุระอะไรป่ะพอดีเหนือได้นั่สื่อเล่มหนึ่งจากคุณเกียงศักวัชรพลนะคะะน่ะก็เลยตามมาเพื่อได้กับบะมีตะขาได้พ อ, อ น, นี้ได้มาถึงหนึ่งมาไม่เคยมาถึงเลยค่ะหลงทางค่ะเคยมาหลายครั้งแล้วเหรอ เคยตั้งใจอยากจะมาแต่หลงวนไปอยู่ตรงบนโดกมาไม่ถึงนี่นะคะก็พอดีวันเสาร์ที่แล้วได้พอดีคุณเกณฑศักดิ์วัชรุณเป็นเพื่อนเป็เพื่อนกับแฟนนะคะก็เลยได้เอาหนังสือมามอบให้เพื่อนๆแล้วก็เลยตามตามมาตามมากราบนะจ๊ะค่ะ ก็ได้กราบแล้วได้ค่ะถือว่าเป็นบุญได้มาถึงค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันที่นี่มีการพบปะกันตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงต้องการจะมาพบก็ได้มาพบกันได้ทุกวันตอนนี้ก็จะปิดประชุมไว้ก่อนแล้วถ้ามีอะไรก็คุยกันต่อได้นะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิดพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุ